ข้อความในพุทธวงศพันนารัตนจังกรมมะกันก็แปลว่าการว่าด้วยการจงกรมนั่นเองนะพูดถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจงกรมนะนะเรียกว่ารัตนจังกรมมะกันก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนรมิตขึ้นแล้วก็เดินกลับไปกลับมาในอพันตารานิทานเนี่ยนะ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 คนที่เขาอบรมเจริญอินทรีย์ห้ามาเนี่ยมีอยู่ขอพระองค์ทรงเอ็นดูคือทรงมีพระมหากรุณาในหมู่สัตว์เหล่านี้คือสัตว์ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้มีศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาขอพระองค์โปรดแสดงอริยสัจธรรมสงเคราะห์หรือโปรดเขาเถ อ, อ น, นอันนี้เป็นข้อความเริ่มต้นของคำพีพุทธวงศ์นะเริ่มต้น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 เห็นนางสนมที่นอนเนี่ยมีผ้าพอนเปิดหน้าเกลียดพระองค์ก็สังเวชพระหาฤทัยยิ่งนักด้วยอุปนิสัยที่สังสมมรณานุสติมาเป็นอย่างมากด้วยอุปนิสัยที่สังสมอสุภาษสัญญามามากเพราะฉะนั้นเห็นเห็นคนหลับเนี่ยเท่านั้นก็เห็นว่าไม่ต่างอะไรจากศพที่อยู่ในป่าช้าผีดิบเนี่ยนะไม่ต่างกันทั้นก็สังเวชใจยิ่งนักมีใจเนี่ยมองเห็นพบสาม เหมือนกับไฟที่กําลังไหมลุกโผล่จริงๆก็เลยไปเรียกนายช น, นะนายช น, นะตอนนั้นก็ปิดกายด้วยผ้าครึ่งหนึ่งนะกลักแสดงว่าเหมือนสมัยก่อนที่นุ่งนุ่งอะไรนะนุ่งโจงกระเบนนะไม่ได้ห่มผ้าอะไรหรอกพระโพธิสัตว์ก็ไปเรียกว่าให้ช น, นะเนี่ยไปนําม้าฝีเท้าดีชื่อว่ากันตะกะมาเป็นม้าที่ข่มฆ่าสึกได้เป็นม้าตัวยงเป็นม้าพิเศษ เมื่อพระองค์ให้นำม้ากันตกกะมาแล้วพระองค์ก็มีนายช น, นะเป็นเพื่อนเป็นสหายเสด็จขึ้นมาเทวดาที่สิงสถอยู่ณนะประตูพระนครเป็นเทวดาที่อยู่ประจําพระนครดูแลพระนครเนี่ยนะเปิดประตูพระนครให้แล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากพระนครผ่านสามราชาอาณาจักรโดยส่วนที่เหลือจากราชสมบัติของพระราชาพระองค์นั้นก็หมายก็ว่าคืนนั้นเนี่ยนะพอออกบวชแล้วก็ ขึ้นมาตะบึงเลยผ่านราชนาจักรของแควนผ่านแคว้นสักกะผ่านมาอีกสามแคว้นใหญ่นี่นะเล่าวว่าผ่านมาอีกสามแควนก็เท่ากับ ว, ว่าจากแคว้นที่หนึ่งสองสามแล้วก็ข้ามไปแคว้นที่สี่สำเร็จพระองค์นี้เป็นสัตว์ที่ไม่ตำสามหมายความว่าเป็นสัตว์ประเสริฐประทับยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําอโนมาพระองค์ก็ตรัสกับนายชนะว่าชนะ เจ้าจงพาเครื่องอาพรคือนำเครื่องอาภรเนี่ยนะที่ไม่ทั่วไปกับคนอื่นๆเหล่านี้และม้ากันตกะม้าฝีเท้าดีของเราเนี่ยกลับไปกรุงกบิลพัทนะเสร็จแล้วพง์ก็ปล่อยให้นายชนะกลับเมื่อนายชนะกลับไปแล้วเนี่ยนะพงค์ก็ตัดมกฏผ้าโพกพร้อมกับพระเกศาก็คือดึงผ้าโพกรวบขึ้นแล้วก็ตัดผมเลย ด้วยดาบคือพระขันอันคมกรีบเหมือนกรีบบวกขาบแบานั้นตัดเหมือนตัดก้านบัวนะเสร็จแล้วพรมก็เวี่ยงพระเยสาพร้อมทั้งผ้าโพกให้ขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นพรมที่เป็นเพื่อนเก่าคติการะพรมก็นำเอาบาตและจีวรเข้ามาถวายคติการะพรมนะคติการะพรมที่เป็นเพื่อนเก่าในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะก็เอาบริขารมาถวายบริขารแป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 แต่เนี่ยพระองค์มาแค่วันเดียวมาแค่ว่าออกมาแล้วเช้าก็บวชบวชเสร็จก็เดินทางข้ามเข้ามาในเคราชัครึกเลยมีราชินิเวศที่โชดช่วงไปด้วยขายรัศมีแห่งหมู่แก้วมณีเพราะสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยมั่งคั่งมากก็คือเมืองราชครึกเนี่ยนะมีเศรษฐีมหาเศรษฐีเยอะมากะนะเศรษฐีเมืองราชครึกเนี่ยเยอะมากถึงขนาดเรียกว่าพระเจ้าเประเซนที่โกศลต้องมาขอมาขอแบ่งปันเศรษฐีไปอยู่เมืองโน้นบ้าง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 ไปด้วยการเสด็จราชดำเนินก็คือเดินไปพระองค์นั้นมีอินทรีย์ที่สงบไม่น่าเชื่อเลยนะเจ้าชายที่ออกจากพระราชวังมาบวชบวชแล้วเดินอุ้มบาทเข้าไปในเมืองนี่นะเข้าไปในเขตเมืองอะ่ะมีอินทรีย์ที่สงบมีจิตใจที่สงบพระองค์ก็แลดูชั่วแอกก็คือดูข้างหน้านะโดยปกติก็เลือบนานานก็เหลือบไปข้างไกลๆสักทีหนึ่ง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 พระองค์ก็ยังออกมาบวชออกมาบวชแล้วเดินนะมีอินทรีย์สงบมีใจสงบเดินด้วยความสำรวมระมัดระวังก็ก็เดินสำรวมเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่ประคองภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ําก็ถือประคองไปไม่ให้ตกฉนะนั้นนะ ก, ก็เดินไปอย่างคนมีสติสัมปชัญญะบานประหนึ่งก็คือเหมือนทรงทําให้เกิดความละอาย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 ปานประหนึ่งผูกหัวใจของชนชาวกรุงเอาไว้ในพระองค์ด้วยความรักในวัยเพราะในบรรดาคนที่หนุ่มแน่นในสมัยนั้นถือว่าวัยสามสิบห้าเจก็ไปไวัยยี่สิบเก้าอายุยี่สิบเก้าปีในสมัยที่คนอายุร้อยปีเต็มเนี่ยนะอายุย9สิบเก้าปีถือว่าหนุ่มแน่นมากเรกียกว่ามีเกษาดาสนิทเนี่ยนะด้วยความรักว่าคือคนทั่วๆไปเห็นแล้วจะต้องชอบกันนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าผูกใจชาวเมืองให้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 เหมือนกับกองบุญเหมือนกับบรรพอหรือภูเขาที่เดินได้ด้วยพระบาทที่มีรูปงามเหมือนภูเขาทองเดินเคลื่อนที่ว่างั้นนะเนีเพราะว่าผิวของพระพุทธเจ้าเหมือนแท่งทองชมพูนุ่ดรูปร่างที่บุญญาที่การตกแต่งเอาไว้ให้เป็นประกอบด้วยมาผริศลักษณะผิวพันประดุจทองพระองค์ก็เสด็จพระพุทธดําเนินเหมือนกับภูเขาทองเดินได้เที่ยวไปบินทบาทในกรงราชครึกพระองค์ก็รับอาหารพอยังอัตภาพ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 ทั้งผู้ดีทั้งมีมั่งมียากจนเข้าหลายๆประเภทเนี่ยมาคละกันเข้าันคงไม่ได้ใส่ข้าวสวยข้าวหอมมะลิอะไรที่ไหนหรอกก็เข้าธรรมดาธรรมดาเนี่พอเห็นแค่นั้นน่ะแหมลำไส้แทบขย่อนออกมาข้างนอกเลยแล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าพรนะองค์ไม่ได้บวชมาหาก้อนข้าวนะไม่ได้บวชมาเพื่ออย่างอื่นเนี่ยนะก็พิจารณาโดยไล่ๆประการด้วยกันก็ข่มขมไอ้กิเลสเหล่านั้นได้พระองค์ก็ฉันอย่างสงบ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 พระองค์นี้ก็มีพระ ส, สุรเสียงที่ไพเราะเหมือนดังบันดอกเหมือนกลองที่ก็บันดอกก็คือลักษณะเสียงของพระองค์เนี่ยเหมือนเสียงพร ม, มเนี่ยนะเสียงที่ทุ้มสุขุมลุ่มลึกด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะพระองค์ก็ตอบว่าอย่าเลยมหาราชเจ้าหม่อมฉันไม่ประสงค์ด้วยราชสมบัติดอกหม่อมฉันละราชสมบัติมาประกอบความเพียรที่ละราชสมบัติเนี่ยนะทั้งๆที่เรียกว่าจักรพัสมบัต ออกมาก็ออกมาประกอบความเพียรประกอบความเพียรในการเจริญสมถะและวิปัสนาเพื่อบรรลุมรคผลเมื่อบรรลุมรคผลจะได้ทํากิจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนะนะเพื่อประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเกื้อกูลให้เขาได้บรรลุมรคผลแก่สัตว์โลกเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีกิเลสดุจหลังคาอันเปิดแล้วในโลก ก็คือเป็นผู้มีกิเลส ท, ที่เปิดแล้วปกติแล้วกิเลสมันหุ้มเอาไว้เนี่ยนะหรือเป็นเหมือนกับเขาบอกว่าฟองไข่ที่อยู่ในกระเป๋ะเนี่ยนะก็คือกระเทาะกระเพาะเปลือกออกนั่นแหละเรียกว่ากระเทา ะ, เ, ทาะ เ, ทาเปลือกของโลกออกได้เสร็จแล้วพระเจ้าพิมพ์พิสารก็อ้อนวอนว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโปรดมายังแว่นแคว้นของหม่อมชันก่อนแวดแควนอื่นทั้งหมดถ้ายังไงนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาโปรดที่นี่ก่อนเถอะ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 พระองค์ก็รับถวายปฏิญญาก็คือรับรับรองแด่พระเจ้าพิมพ์พิสารว่าสาธุเนี่ยนะก็จะมาหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาอาลาลดาบทและอุธกดาบทก็เข้าไปฟังลทัทธิเนี่ยนะเข้าไปฟังลทัทธิเข้าไปฟังเนื้อหาสาระของลทัทธิของเขาว่าลัทธินี้มีทิฐิอะไรซึ่งอาลาลดาบทก็กล่าวถึงอากินจัญญายตนะ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 แต่เป็นไปเพื่ออากินจัญญายยตนะพบเป็นไปเพื่อเนวะสัญญาณาสัญญาเยตนาพบก็ยังเป็นไปกับวัตตะเขามันไม่เห็นมีสาระเลยสาระที่พระองค์ต้องการคือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะก็ไม่พบว่ามีมรรคผลนิพพานอยู่ในคําสอนเหล่านี้พระองค์ก็ทรงหลีกออกจากที่นั้นไปหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปพุทธดาเนินไปจนถึงตาบลแถวตาบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ย เป็นสถานที่ที่ร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเยือกเย็นพอสมควรเยนะเป็นสถานที่น้ำก็ใสสะอาดอาหารก็ดีอ่ะนะอาหารในยุคใ น, นแคว้นนั้นกนะ็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยสงบร่มเย็นรองก็เลยอยู่บำเพ็ญทุกกะระกิริยาในตำบลอุรุเวลาเนี่ยหปีด้วยกันนะ คือเป็นสถานที่ที่สปายะแต่ว่าภายใน6ปีก็อยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างอ่ะนะบางช่วงก็ขึ้นโน่นไปอยู่เขาดงคสซิริเนี่ยนะดงคสิริทีนี้ด้วยความเพียรอ่ะนะทุกขะกิริยาทุกระเนี่ยแปลว่าทำยากเนะี่ยทำยากมากทำจนถึง6ปีเนี่ยนะพอทำถึงครบปีที่6เนี่ยรู้เลยว่าถ้าคืนทำต่อแม้แต่นิดเดียวก็ตายนนะนะเพราะในบรรดาความเพียรที่มีอยู่ในโลกที่มนุษ ผลได้มันมีอยู่เท่านี้แหละถ้าคืนเกินกว่า น, นิดนิดเดียวตายพระก็เลยบอกว่าการทําทุกขกรกิริยาไม่สามารถให้บรรลุมรรคผลได้พระองค์ก็เลยกลับมาทําสรีระให้อิ่นหนาสําราญด้วยการสวยพระกายอาหารอย่างยากก็กลับมาฉันอย่างปกติผิวพรรณก็กลับคืนมาหมดที่จริงแล้วตอนที่ทําทุกขกรกิริยาเนี่ยตาเนี่ยโลเลยเนี่ยนะตาเนี่ยโลเนี่ยลึกเลยนะเหมือนคำว่า ดวงตาของพระพุทธเจ้าถ้าดูไกลๆ ก, ก็เหมือนว่าคนมองดูดวงเดือนในบ่อน้ําลึกอย่างนั้นนะถ้าดูตานะเพราะถ้ารูปท้องก็ถึงหลังรูปหลังก็ถึงท้องอ่ะนะพั้นรูปตัวเนี่ยคนเนี่ยหลุดนําตัวมามาหมดเนี่ยนะเพราะรากมันเน่าอ่ะเพราะอาหารไปหล่อเลี้ยงไม่พอเพระว่าถ้ารูปท้องก็ถึงหลังรูปหลังก็ถึงท้องอุจจาระก็เหมือนกับอะไรนะเป็นเหมือนกับมเมล็ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็แค่นั้นแนหะ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 องก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าอาศัยฐานอันนั้นก็จะเป็นเหตุให้ตรัสรู้ได้เมื่อฉันอาหารอยากพระปัญจวัคคีย์นนี้ไปอยู่ในเมืองพารณสีหมดเนี่ยนะหนีไปอยู่ที่โน่นอ่ะตายสิปัตนามรุกทายวันเพราะธรรมดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องกายวิเวกก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะในวันส5บห้าคำเนี่ยนะครั้งนั้นหญิงรุ่นชื่อว่านางสุชาดาธิดาของกุดุมพีเสนานิคม ลูกสาวเศรษฐีในตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอตอนที่โตเป็นสาวแล้วนางได้ทำความปรารถนาะณต้นสาสต้นหนึ่งเอาไว้ว่าถ้าดิฉันไปเรือนสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วก็ได้ลูกชายท้องแรกก็จะทำพลีกรรมสังเวยนางก็ได้บนนว้ไปบนเทวดาเอาไว้นนะาเนี่ยถ้าได้ลูกชายก่อนเป็นคนแรกนะจะมาทำพลีกรรมบอกว่านางสุชดาก็คือใครก็คือแม่ของพยาะกุลบุตรนั่นแหละ แม่ของพยศักควรบตรแล้วก็เป็นอุบาสิกาคนแรกที่ถึงไตรสารณคมก่อนเพื่อนเพราะนั้นวันวันนั้นอ่ะพูดถึงย้อนกลับมาวันที่นางจะมาบนเนี่ยนะมาแก้บนวหมืนกันเถอะมาแก้บนว่าความปรารถนาของนางสำเร็จแล้วในวันเพ็ญเดือนหกนางก็คิดว่าวันนี้จะทำพลีกรรมพอเช้าตรู่ก็จัดข้าวปลายาบ ท, ที่ไม่แคบแข็งมีรสอร่อยอย่างยิ่ง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 ผู้สอดเข้าสูหมหลืบเมฆอ่าเพราะได้เห็นต้นไม้ที่มีสีเหมือนทองนั้นทั้งหมดโดยรัศมีที่แล่นออกจากพระสรีระของพระโพธิสัตว์นั้นนางปุณณธาสีก็คิดว่าวันนี้เทวดาของเราเนี่ยลงจากต้นไม้คงอยากจะรับเครื่องพลีกรรมด้วยมือของตนเองจึงมานั่งคอยนางปุนานั้นก็รีบกลับไปบอกเนื้อความนั้นแกนางสุชาดา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 ประทับนั่งเนี่ยงดงามเหมือนกองบุญเรียกว่ากองแห่งสรีระที่บุญจัดสรรตกแต่งให้งดงามพระรสมีนั้นทําให้ต้นไม้ทั้งต้นมีสีเหมือนสีทองด้วยรัศมีจากพระสรีระเหมือนประหนึ่งนะนะประหนึ่งรุ ก, กเทวดาเหมือนเทวดานั่งสาดส่องรัศมีให้ต้นไทรเนี่ยงดงามเหลือเกินก็เกิดปีติและปรามโมทเดินน้อมตัวลงตั้งแต่ที่เห็น พอเห็นปั๊บเนี่ยเดินก้มด้วยความสำรวมเลยนะเข้าใจว่าเป็นลุกคาเทวดาเสร็จแล้วก็ปรงถาดทองนั้นลงจากศรีรษะเพราะว่าแขกก็ไม่ค่อยถือนะนิยมทูลหัวนะนะนิยมทูลหัวเสร็จแล้วก็ไปประคองไว้ในพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์แล้วก็ไหว้ด้วยเบญจงังฆาปิริตกล่าวว่ามโนรสความปรารถนาของดิฉันสําเร็จแล้วฉันใดมโนรสคือความปรารถนาของพระองค์ก็สําเร็จฉันนั้นเถิดแล้วก็กลับไป